กับชาพระมาภัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็นํารายการธรรมะพูดคุยอยู่เรื่องเดียวเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจให้จแจ่มแจ้งทําอยู่อย่างเดียวธรรมะคืออย่างเดียวรวมวังและมีอย่างเดียวที่จะทาความดับทุกข์ให้มันสนิทแต่คืออย่างอื่นอาจจะดับทุกข์ได้บ้างเช่น หิวข้าคุณก็ไปกินข้าวการกินข้าวก็ดับทุกได้แต่ไม่สนิทเดี๋ยวพรุ่งนี้มันหิวอีกหรือว่าปวดหัวตัวร้อนก็ไปกินยาหาหมอก็ก็จะยารักษามาให้ก็ดับได้อยู่แ ต, แต่มันไม่สนิทเดี๋ยวมันเป็นโรคอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นความที่มันจะสนิทเนียนแล้วก็ไม่กลับกําเริบอีก่ถึงตรงเนี้ยธรรมะช่วยได้ซึ่งการทําความเข้าใจในเรื่องของทาคําสอนของพระพุทธเจ้านักประชาระก็ใช้ เราเกว่าความสามารถอย่างยิ่งนะต้องฟังความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะค้นพบพบเจอสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้แนี่ไม่ใช่เฉพาะชาติที่ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสมัมพุทธญาณแต่รว ม, รว ม, รว ม, รวมถึงก่อนก่อนก่อนก่อน น, นนั้นอีกก่อนก่อนที่ได้ทําความเพียรอะไรต่างมาพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ทําความเพียรในเรื่องสมาธิเรื่องของจิตเรื่องของศีลให้มันเข้าได้เข้าถึง จกนกระทั่งมาในชาติสุดท้ายของพระองค์ที่บ่ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถึงโพธิญาณซึ่งความรู้ตรงนี้ก็ได้บอกได้สอนเอาไว้คือบางสมัยท่านฟังก็มีคนที่รู้อย่างนี้เหมือนกันผู้ที่มีความรู้อย่างนี้ในสมัยนั้นๆแหมบางทีท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนเอาไว้หรือว่าบอกสอนอไว้แต่ว่าไม่ได้มีคนตรัสรู้ตาม น, นะเช่นว่าลักษณะของพระเจกพุทธะอย่างเงี้ยท่านตรัสรู้ได้เอง เ น, เนเื้อนาบุญดีอยู่แต่ว่าบอกสอนคนอื่นแล้วเขารู้ตามไม่ได้แต่ความสามารถในเรื่องของการสอนจะไม่เท่ากันซึ่งในสมัยปัจจุบันเรายังมีสัมมาสัมพุทธะมาอุบัติขึ้นแล้วแต่มีสัมมาสัมพุทธะพูดที่ตรัสรู้ได้เองนี่ก็เยี่ยมแล้วแล้วยังบอกสอนให้คนอื่นรู้ได้ตามโอ้โหนี่เยี่ยมมากขึ้นอีกแล้วที่ดีสุดๆเลยถึงแม้ว่าตัวพระองค์จะไม่อยู่แล้วแต่คําสอนนี่ยังอยู่ แต่คําสอนนี่ยังหลงเหลือมาอยู่ทุกวันนี้เป็นหลายพันปีแล้วอันนี้ก็ยากเพราะในบางสมัยบางครั้งเนี่ยมีผู้รู้ชาตมาอุบัติขึ้นใช่ไหมสอนกุนเนินได้กุนเนินตรัสรู้ตามแต่ว่าไม่ได้บอกคําสอนเอาไว้โดยละเอียดทําให้คําสอนเนี่ยเลือนหายไปเร็วหลังจากที่บริณิพานแต่หลังจากบริณิพานไปไมไ่มีคนมาย้ําไมไ่มีคนมาบอกแล้วคําสอนนั้นก็เลือนหายจางไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสมณะโกดมของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ในสำนักคุดมของเราหลังจากปรินิพพานไปแล้วคําสอนก็ยังอยู่ได้นานแต่ทําไมถึงแตกต่างกันตรงนี้เพราะว่าพระรูช่แต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยได้บอกสอนไว้โดยละเอียดไม่เท่ากันคือสอนแล้วคนเรียนรู้ตามได้คุณนั่งสมาธิทําอย่างนี้ปุ๊บปุ๊ป๊๊บอ้าวปลายผ่านแต่ถ้าไม่ได้บอกไว้ละเอียดบัญญัติเอาไว้ละเอียดคําสอนนั้นก็จะไม่ได้อยู่นานแต่แต่ถ้าพราะว่าพระรูช่อองค์ไหนนําบอกสอนไว้โดยละเอียด โดยบทเพียนชนะอยากแย่แจกแจงให้บัญญัติตรงนั้นทตรงนี้ซ้ําตรงนู้นตรงนี้เรื่องนี้มาก็พูดเรื่องนี้อีกอย่างเงี้ยนะคำสอนนั้นก็จะตั้งอยู่ได้นานอันนี้กืลักษณะที่สมณะโคโดมพุทธเจ้าของเราได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราทั้งหลายในตมฝัง่งโชคดีมากแม้โชคดีในความโชคร้ายก็ว่าได้นะเกิดหมายก็ว่าโชคร้ายที่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเน่เพราะว่าพราะองค์ปริญิพานไปแล้วแต่ยังมีความโชคดีตรงที่ว่าคําสอนของท่านยังอยู่ แต่ก็เหมือนกับตัวท่านอยู่นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราจะไปถามคําถามอะไรก็ตาม่าได้ตอบไปหมดละได้ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปแล้วในคําสอนต่างๆที่เอามาให้ท่านฟังฟังนี่แหละเดเรื่องราวที่อยู่ในพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้ท่านฟังนคิดว่าสักสิบปีนะครับจะคิดว่าทําอย่างนี้ไปทุกสัปดาห์สัปดาห์ละเรื่องสัปดาห์ละสอเรื่องเอามาพูดกันตรงนั้นตรงนี้นสักสิปีคิดว่าคงจะอ่านพระไตรปิฎกจบอยู่แต่ท่านฟังก็ติดตามฟังกันไป วันนี้สัปดาห์นี้ฟังเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วฟังเรื่องนั้นมาสัปดาห์ต่อไปก็ฟังเรื่องใหม่ฟังมันไปทุกวันทุกสัปดาห์เัีจะทําให้เราเนี่ยทะุโปรยโรงเลยในทางคําสอนของพุทธเดี๋ยวทรลุโปรยโปรงไม่ใช่แค่สมองหรือหัวอย่างเดียวนะแต่ว่าทะุโปรยโปรงไปกิเลสมันลอกออกไปอ่ะใจเรามันว่างใจมันเย็นสบายเพราะว่ากิเลสที่มันลอกออกไปลอกออกไปคุ้มกันทนะั้งังคุ้มกันขอให้ศึกษาให้ทําให้ฟังให้ปฏิบัติ ซึ่งข้าพเจ้านี่ก็จะทําหน้าที่นะในการเอาพระสูตรเรื่องราวต่างๆเราเนี้ยมาให้ท่านฟังฟังเดี๋ยวฟังแล้วใครครวนแล้วเราก็มาอธิบายนะในห้จําแจ้งกันเดี๋ยวในวันในเมื่อวานนี้ได้นําเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกันเป็นพระสูตรที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะพอประมาณอ่านจบให้กันฟังได้ไปในประมาณครึ่งชั่วโมงเดนะีเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่สามสิบ ชื่อว่ามหาอัสสัปุระสูตรมหาอสัสสปุระสูตรนี่ก็เป็นตอนนั้นพระเจ้าอยู่ที่อัสสัปุระนิคมก็คือบริเวณหรือเมืองเมืองหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าอัสสัปุระแล้วก็เป็นพระสูตรใหญ่แต่เขาก็เลยใส่คําว่ามหาเข้าไปะมีรายละเอียดมากใ น, นเรื่องนี้นนเริ่มมาตั้งแต่ว่าในเมืองนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยเขานับถือพระสงฆ์กันมากแล้วก็คือพอหลังจากที่ รู้กันว่ามีพระรชาอุบัติขึ้นบนโลกใช่ไหมแล้วก็มีคุรบุตรมาบวชเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์บางส่วนก็ไปอยู่ที่อังคชชนบทซึ่งอังคชชนบทนี้ก็มาทางตะวันออกของพุทธคยาไปอีกสักหน่อยประมาณสักร้อยสอกิโลเมตรจากบริเวณที่พระรูชาตรัสรู้แต่จริงๆก็ถือว่าไม่ไกลมากเดินทางก็คงจะไม่ถึงสัปดาห์ดต่านั้นบริเวณนั้นเนี่ยก็มีพระภิกษุอยู่ยหลายรูปเยอะเลยลัก แล้วเขาก็บวชกันอยู่ที่นั่นแล้วในเมืองนั้นแล้วเขาก็นับถือเลื่อมใสบัพติศชาพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อย่างมากแม้แต่เห็นสามเณรผู้บวชในวันนั้นน่ยสามเณรตัวน้นอยๆอย่างเงี้ยโอ้หก็สักการะเคารพนับถืออย่างกับพระเทระที่บวชมาแล้วร้อยปีนี่เมือง น, นี้ก็เป็นอย่างนี้แต่เวลาพระสงฆ์ไปบิณฑบาตในบ้านแต่เขาทําการทํางานอะไรกันอยู่ก็จะวางคันไถวางจอบวางเสียมแล้วก็จะรีบไป กุลีกุจอจัดหาที่นั่งน้ําใช้น้ํำฉันอาหารเครื่องดื่มอะต่างๆมารองรับแนะเป็นอย่างนั้นกันเลยซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเขายังไม่ทําถึงขั้ดนั้นเลยนะท่านฟังวันทีข้าพเจ้าไปบินตาบาทเนี่ยถ้าเขาเปิดร้านเปิดร่วมกันอยู่เขายุ่งวุ่นวายกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่สนใจเราจะใส่บาทไม่ใส่าบาทเขาไม่ได้สนใจเราสารเสวะเขาจะเตรียมมาไว้แล้วแต่ถ้าคนเตรียมเอาไวแ้วไวแล้วแต่คิดการล่วงหน้าแล้วอาเตรียมไว้อาหารนี้จะใส่บาทใช่ไหมฉันจะจัดทํางานอะไรกันอยู่อ่ะก็วางมือนิดนึงมาใส่บาท น, นี่คือเขาเตรียมไว้แล้วใ น, นเมืองใดเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้แล้วเห็นพระเนี่ก็ไม่ได้แขรนะกดก็ทํางานของตัวเองต่อไปแต่โดยเฉพาะยิ่งชาวนาชาวไร่นี่ยกว่าจะไปออกนาครั้งหนึ่งเนี่ ย, อ, ยอุปกรณ์ข้าวของอะไรต่างๆมันก็ต้องเตรียมเอาไว้แต่เพราะเขาจะไม่ได้มาคิดเลยล่ะไม่ได้มีใจใส่ตรงนี้เลยล่ะว่าจะใส่บาทหรืออะไรแต่ถ้าเตรียมไว้ก่อนนี่ก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้วมีกิจการงานอย่างนี้อยู่แล้วเห็นประสงค์เนี่ย จะไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็มีบางที่เหมือนกันนะที่เขาสมมติว่าเขาเตรียมอาหารไว้เตรียมอาหารใส่บาทพระไว้3รูปอย่างเงี้ยแต่ปรากอบบ้าพระมี5องค์อา้าวถ้าเขามีศรัทธาเขาก็จะไปจัดแจงหามาอีกสองที่ในกุลีกุจอตักเพิ่มอะไรต่างๆอาจจะเหมือนไม่เหมือนกันแต่ก็มีศรัทธาในการใส่อย่างนี้ก็มีแต่บางที่แต่จัดไว้3องค์แต่ว่ า, าพระมา5องค์นีเ้เหาอีก2องค์ก็ไม่ได้ก็ ก็ผ่านใบอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็มีแต่ว่าที่เมืองอสัสาปุระนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในที่เมืองอสัสาปุระนี้เขากรุรีกรุจอกันมากแต่มีความเคารพมีความเลื่อมใสกันมากต่อให้ไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ถ้าเห็นพระนี่ก็จะต้องกรุรีกรุจอวางแอกวานไถวางการงานต่างๆมาคอยอุปถากอุปธรรมและมีความเคารพนับถือกันอย่างมากในที่นี้แต่พระเจ้าเห็นบุคคลชาวบ้า น, นที่เขาเป็นกันอย่างนี้แล้วก็เลยสั่งสอน พระภิกษุเนี่ยที่อยู่ในเมืองอัสสปุระเนี่ยจึงเป็นที่มาของมหาอัสสัปุระสูตรนี่เองนพูดถึงว่าคนที่จะเป็นพระคนที่จะเป็นสมณะนะเป็นสมณะนี่แปลว่าผู้สงบแนะคนที่จะเป็นพราหมนะพราหมณ์นี่แปลว่าผู้ลอยบาปคนที่จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถูกเ้าถามมาตัวเองเป็นอะไรอ้าวเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นภิกษุเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรที่จะทำความเป็นพระ ทำความเป็นสมณะทำความเป็นสงฆ์เป็นภิกษุเป็นพนราหมณ์ให้เกิดขึ้นได้แตะควรจะต้องทำสิ่งนั้นแต่ควรจะต้องทำสิ่งนั้นซึ่งคุณทำตรงนี้โหราษยามาถึงฟังนั้นไล่มาเลยนั่นะตั้งแต่เรื่องของฮิริโอตปะนั่นะต้องมีความกลัวความละอายต่อบาปแต่นะแล้วก็ไม่ใช่พอใจอยู่แค่นั้นไม่ใช่คิดว่ามีฮิริโอตปะแล้วแล้วก็ถึงผลแห่งการปฏิบัติละนะั่เรียกว่าเป็นพระแล้วสม บ, บูรณ์แค่นี้นั่นะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเพราะว่า กิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่จำฝังแต่อีกนิดนึงตรงเกี่ยวกับเรื่องของคําว่า ส, สมณะเนี่ยจริงๆสมณะเนี่ยแปลว่าผู้สงบแต่ผู้สงบในที่นี้อาจจะไม่ได้ต้องโกนผมผมเลืองก็ได้นะอาจจะหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมอย่างฆราวาสบางคนผู้ที่ขนขวายปฏิบัติธรรมในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์แต่ลักษณะ น, นี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สงบได้เหมือนกันแต่คือบางทีบางคนเนี่ยครองเรือนอยู่ก็จริง แต่ว่าปีปีหนึ่งก็หาเวลาไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมขวนขวายในการที่จะชำระจิตของตนให้มันดีอย่างเงี้ยคนที่มีจิตใจอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นชำนาก็ได้เป็นพรามก็ได้แต่ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้เรื่องเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นรายละเอียดที่เป็นภายนอกแต่ว่าเรื่องภายในอันนี้สําคัญแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ฟังไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติก็มีอันนั้นเป็นลักษณะของปุถุชนผู้ยังไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าบอกว่าเรามาฟังธรรมะ อาฟังธรรมะก็ดีแล้วแต่ทำยังไม่ได้ก็อีกส่วนหนึ่งฟังธรรมะแล้วทําได้นะําพยายามที่จะปฏิบัติประพฤติปรหมจรรย์อันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกในเป็นระดับที่สแล้วถ้าดีขึ้นมาอีกคุณจะอาจจะโกนผมผมเหลืองหรืละละละอลีกออกจากเรือนทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราทําเป็นประจําทําเป็นเต็มเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกระดับที่4ี่แต่เพราะนั้นมันไล่กันไปนะของการที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้สงบคือใกล้ความที่จะสงบขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้น แต่ที่กระจ้าพูดเมื่อสครู่ก็คือตั้งแต่คนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะี่ยเป็นปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับว่าอย่างนั้นนี่เกิระดับที่1ไม่ได้ขวนขวายอะไรก็กรองเรือนหาอยู่หา ก, กินไปตามเรื่องตามราวเน่ดีขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็คือได้ฟังทำบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ขวนขวายในการที่จะทําอย่างน้อยก็ยังมีศรัทธานในการที่จะให้ทานในการที่จะทําความดีตามกําลังของตนทําได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็ระดับที่สองขึ้นดีขึ้นไปอีก ก็คือเป็นบุคคลที่ได้สดับฟังธรรมด้วยแล้วก็ขวนขวายในการที่จะปฏิบัติด้วยในะคลองเรือนอยู่ก็จริงแต่ก็ยังอุชาสละเวลานุ่งขาวห่วมขาวไปฟังธรรมนั่งสมาธิตามวัดตามวาแทํานะทได้มากได้น้อยก็ตามกําลังของตนใช่ไหมบางคนอาจจะปีปีหนึ่งไปเรียนได้ปฏิบัติธรรมได้ 2-3 ครั้งบางคนอาจจะได้ครั้งเดียวบางคนอาจจะแค่ปฏิบัติอยู่กับบ้านแต่ก็ขวนขวายในการที่จะทําขวนขวายในการที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ระดับที่3 และระดับที่4ขึ้นไปอีกแล้วก็คือว่าตัวเองนั้นเอาเห็นโทษภัยละปฏิบัติแบบที่ไม่เต็มเวลาอย่างระดับที่3มเนี่ยมันก็จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ส่วนเดียวไม่ได้เห็นโทษภัยในสังสารวัฏเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติที่เต็มเวลาเอาก็ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนคนผมห่มเหมเลืองซะนำมาปฏิบัติอย่างเต็มเวลาอันนี้ก็ระดับที่4ี่ที่พระเจ้าพูดถึงในมหาอสุปุรสูตรนี้แต่ก็หมายถึงบุคคลในระดับที่4ตรงนี้ ในที่เป็นพระสงฆ์คนผมหมุนเลี้งแต่โดยคุณธรรมแล้วคนที่ปฏิบัติในระดับที่3ที่ว่าขวนขว้ายในการปฏิบัติอาจจะห่มขาวอยู่อาจจะยังไม่ได้คนผมแต่ว่าฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยวก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ด้วยเหมือนกันคุณธรรมที่เริ่มตั้งแต่หิเดอุทปะนี่แหละฮิเดอุทปะคือความกลัวความละอายต่อบาปเราจะต้องกลัวลต้องละอายต้องกลัวบาปละอายบาปแต่คือไม่ใช่ว่า เป็นพระอาหารหันต์แล้วจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องละอายอะไรทั้งสิ้นนะเปลยกายกันมันเลยเดินท่องท่งไปไม่มีความละอายเหลืออยู่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะสิ่งที่จะต้องกลัวที่ต้องอายนะก็คือกลัวบาปอายบาปอันนี้ต้องมีแต่อย่าไปคิดว่าแค่มีความกลัวมีความละอายต่อบาปแล้วจะจบแค่นี้กิจของการประพฤติประมจาจรจบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะว่าสิ่งอื่นที่มันยังมีดีขึ้นไปมันยังมีอยู่ เนี่เช่นการประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาใจการประพฤติชอบสม่ำเสมอเนี่ยหมายถึงเรื่องของศีลในทางกายทางวาจานี่คือเรื่องของศีลการประพฤติชอบสม่ำเสมอทางใจอันนี้ก็หมายถึงพวกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นการที่เราไม่มีความพยาบาทไม่มีความเพ่งเล็งอันนี้เราต้องรักษาให้ได้แต่คนที่ละมิจฉาทิฏฐิได้คนที่ไม่ได้มีจิตมีความเพ่งเล็งในทรัพย์ของใครคิดจะไปปล้นเขา หรือว่าคนที่ไม่ได้คิดที่จะไปปองร้ายเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้สมาธินะเพราะว่าละมิจฉาทิฏฐิได้แต่อาจจะยังไม่ได้สมาสมาธิอันนี้ก็เป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็จึงพูดถึงกิจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่เด็กก็ไดารักษากายรักษาวาจาแต่ไม่ให้ทําปิดศีลไม่โกหกไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้บริพิปิดในการรมในนี้ก็กายกับวาจาตรงนี้ในเรื่องของใจก็ไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐ แ่ความคิดที่ว่าพระรูปชาวไม่มีการให้ทานไม่ดีพวกนี้เราละออกให้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแต่อาจจะยังทําจิตไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นมันก็ยังมีอยู่แล้วคนที่มีข้อประพฤติทางกายทางวาจาแล้วก็ทางอาชีพด้วยเนี่ยการดําเนินชีวิตเนี่ยทำดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาจะเห็นได้ด้วยตาแลนะได้ยินได้ด้วยหู แต่คือคนทําความดีแต่คือไม่ได้อยู่ในใจนะคนทาความดีข้างนอกเนี่ยเช่นให้ทานรักษาศีลพูดดีๆกันมีความเอื้อเฟื้อในการให้การแบ่งปันพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยหูเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเพราะนั้นคนอื่นก็รับรู้ได้ตรง น, นี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่ว่าพอคนอื่นรู้แล้วเห็นว่าเราทําดีเราอย่าไปยกตนข่มท่านอย่าไปโตกต้ตนว่าฉันดีกว่าเธอด้วยข้อปฏิบัติทางกาย ทางวาจาหรือทางอาชีวะอย่าไปยกตนข่มท่านตรงนี้อย่าไปทะ น, นงตน ว, ว่าฉันดีกว่าเขาแต่ให้ระลึกอยู่เสมอว่าข้อปฏิบัติที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นเนี่ยยังมีอยู่จนฝังในะอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนะักบริจาคพูดถึงเรื่องของการสํารวมอนะินทรีย์ในการสํารวมอนะินทรีย์ในคือการสํารวมที่ใจนะที่ใจในะสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาผ่านทางตาหูจมูกลิ้น หรือว่าความคิดเป็นธรมารม์พวกนี้มันบานเข้ามาแล้วเราจะต้องรู้จักสํารวมปิดกัน้นหน้าใจของเราที่ช่องทวาร น, นี่แหละไม่ให้อกุสลดธรรมมันเข้ามาเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูอะไรก็แล้วแต่หน้าใจเราต้องมีประตูใจของเราต้องได้รับการปิดกัน้นระวังไม่ให้เจ้าอคุสลธรรมมันมันแทรกซึมเข้ามาทางการระมัดระวังตรงนี้อยู่ที่ใจบางทีอาจจะไม่ได้เห็นว่าคนนี้เอ๊ะเขาทำท่าสํารวมอินทรีย์หรือเปล่าแต่เพราะว่า อาการที่เขาแสดงออกมาแต่มันมันไม่ใช่การสํารวมอินทรีย์นะการสํารวมอินทรีย์นี้อยู่ที่ใจเป็นขาที่ระวังสิ่งที่เข้ามาทีนี้ถ้าเขาระวังสิ่งที่เข้ามาแล้ว เ, เขาอาจจะแสดงออกอย่างดีทําให้เราเห็นถึงความเลื่อมใสอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สองอ น, นี่จะเป็นคนละอันกันแต่คุณธรรมคือการสํารวมอินทรีย์การที่ระมัดระวังไม่ให้คุณธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจการกระทํำตรงนี้เนี่ยอยู่ในใจแต่ทนะําแล้วเราก็สามารถที่จะ ข้องการสิ่งที่เป็นหลักคุณสมรรถำได้นะจิตใจก็จะดีขึ้นแต่ว่าอย่าพึ่งพอใช้แค่นี้นะจิตใจดีขึ้นแล้วมันยังมีที่ดีไปกว่านี้แลนะสิ่งที่ดีไปกว่านี้คืออะไรท่านผู้ฟังนะคือการที่รู้จักควบคุมอาหารด้วยแนะรู้จักประมาณในการบริโภคนะจะกินจะดื่มสิ่งใดก็แล้วแต่นะให้กินให้ดื่มให้พิจารณาก่อนพิจารณาว่าที่กินที่ดื่มเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะความสวยงามนะ ไม่ใช่เพื่อที่จะอร่อยนะไม่ใช่กินเพื่อเล่นนะแต่ว่ากินเพื่อที่จะระงับเวทนาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้นเช่นอะไรบ้างก็หิวนั่นแหละแน่นอนอย่างหนึง่งบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างได้อย่างหนึง่งกินอาหารประเภทนี้แล้วมันจะถูกธาตุกินแล้วมันอร่อยมันถูกธาตุอา้าวก็รับประทานได้นําพิจารณาเพื่อที่จะระงับเวทนาตรงนี้แล้วก็ป้องกันเวทนาใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยแต่คือกินอาหารแน่นอนคำฟังมันเป็นภัสสะอย่างหนึง่งภัสสะที่มาทางลิ้น มันเข้าไปในกายเรามันก็มีผัสสะตลอดเพรา ะ, ะนั้นพอมีผัสสะแล้วมันจะสร้างเวทนาขึ้นแต่สร้างเวทนาถ้าเป็นเวทนาใหม่มันก็จะทําให้เราเป็นโทษเป็นธาตุของมินอีกเพรา ะ, ะนั้นเวทนาใหม่อย่างเช่นความอิ่มจนอึดอัดเราก็จะต้องกินในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือบางทีอย่างพระสงฆ์รับประทานอาหารมื้อเดียวอย่างเงี้ยพอตกบ่ายมาก็จะหิวข้าวแล้วท้องว่างกรอดๆ อ, อ, อย่างเงี้ยก็ต้องมีเทคนิคการรับประทานอาหารดูฟัง สำหรับพระที่รับประทานมื้อเดียวะมีเทคนิคการรับประทานอาหารที่กินแล้วจะทํายังไงไม่ให้ตอนบ่ายมันหิวอีกนก็คือการเคี้ยวให้มันละเอียดนั่นแหละเคี้ยวข้าวให้ละเอียดละเอียดแลค่อยๆกินกินไม่เร็วเกินไปแกินพอประมาณอย่าอิ่มเกินไปอันนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการย่อยประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้ดีใช้พลังงานในการย่อยน้อยกว่าอาหารที่ย่อยมาแล้วดูดซึมได้ดีกว่าได้เร็วกว่า จะทำให้เราสามารถระงับเวทนาใหม่เกี่เรื่องของความหิวในตอนบ่ายได้อันนี้คือข้อถัดมาที่พระเจ้าสอนพระที่อัสสปุระนิคมนให้ตั้งไว้ในคุณธรรมนีน้นแต่แค่นั้นยังไม่พอถึงฝั่งยังมีที่ยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือทําได้ก็ดีแล้วนนันดีในส่วนที่ทําได้แล้วแล้วก็มีที่ดีขึ้นไปแล้วก็ทําความเพียรในการที่ทําให้ดีขึ้นไปอีกนั่นคือการที่ประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ต, ตัวนี้ก็เรียกว่าชากขยนันระ แล้วคือนอนยามเดียวนะไม่ต้องนอนกลางวันไม่ต้องนอนมากนอนพอดีพอดนะีเท่าไหรถึงพอดีก็ยามเดียวแนะเอ็นกายนอนลงไปแล้วนะรู้สึกตัวขึ้นเมื่อไหร่คือร่างกายเราเนี่ยพอตอนคือเรานอนใช่ไหมเริ่มนอนไปแล้วนะก็มันรู้พักผ่อนได้เท่าไหรมันพอเท่าไรมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทนะีแล้วก็ไม่ไปนอนอีกไม่ขอต่ออีก5นาทีสิบนาทีนะการการะทาอย่างนี้ ล, ลุกขึ้นมาแล้วทําอะไรลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธินั่นแหละทั้งวันวตต่ลอดวันกลางวันบางทีมันมีการงานอาบก็ต้องไปทำแต่อย่าไปหาเวลานอนอย่าเห็นแก่หลับแกนอนงานมีอะไรก็ก็ทําไปแล้วเดินจงกรมด้วยนั่งสมาธิด้วยพอตกเย็นมาเราก็ทําความเพียรต่ออีกแต่อย่าเพิ่งรีบเข้านอนให้มันไปสักยามหนึ่งในราตรีแต่คือตอนกลางคืนเราแบ่งออกเป็น3 ส, ส่วนแต่ตั้งแต่หกโมงเย็นถึง6กโมงช้าเนี่ย แบงเป็น3มส่วนในะช่วงยามต้นก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินลงไปแั่นะก็ต้องไปซักระยะหนึ่งให้มันมีงานที่ได้พอเป็นเนื้อเป็นหนังในที่นี้อาจจะถึงสามทุ่มสีทุ่มก็บ่าไปแตนะ่ตอนยามกลางคืนราตรีก็อ น, นอนนะพักผ่อนรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก่อนลุกขึ้นทันทีแตนะ่มันก็จะมาตกที่ยามสุดท้ายของราตรีในะยามสุดท้ายของราตรนะีก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอาจจะเป็นตั้งแต่ตีสองตีสามหรือตีสี่มาแตนะ่ที่เราตื่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นน่นแหะ ลุกขึ้นแล้วรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นแล้วก็ทําความเปลี่ยนต่อในการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เราสอนพระที่นั่นไว้อย่างนี้นี้จะเป็นคุณธรรมที่ ท, ทําให้เข้าถึงความเป็นสมณะทําให้เข้าถึงความเป็นผู้สงบแต่ทําที่ผ่านมาได้นั้นดีอยู่แล้วแล้วที่ทําให้ดีงขึ้นไปก็มีอีกอยู่นัคือการที่เป็นผู้รู้ตัวรอบขอบในในการที่ทํากิจกรรมอิริบทต่างๆแล้วก็มารู้ตัวรอบขอบในที่นี้ ก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองระหว่างทําคุณก็มีสติรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่อันนี้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะเว่าจะกินข้าวเข้าห้องน้ําใส่เสื้อผ้าทํากิจกรรมอย่างใดอย่างใดเดินยืนนั่งให้รู้ตัวตัวพร้อมตลอดอันนี้ก็เป็นข้อถัดมาหลังจากนั้นแค่นั้นยังไม่พอจหวอกแม้จะพูดว่าไม่พอก็ไม่ได้นะเพราะที่ทําผ่านมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระพูดในที่นี้ก็คือว่ามีกิจที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีอยู่ นะ่ที่ดีกว่านี้มีอีกไม้ถามตอบก็คือมีแล้วที่ทำผ่านมาดีไม้ดนะีพอไหมดีแตนะ่บอกไม่พอไม่ได้นะแตนะ่บอกว่าดีได้แล้วดียิ่งกว่านี้มีไหมมีเนี่ยนะทำไหมควรทำอะไรอยู่หลีกเร้นดำบุฟังอยู่ในเรือนบ้างอยู่หลีกเร้นอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ทนะทำจิตให้มันเป็นสมาธิให้มันลึกซึ้งขึ้นไปแตนะ่สมาธิในที่นี้คือเราต้องละนิวนสก่อน และเครื่องกางกั้นทั้งหลายที่มันจะทําให้เราง่วงซึมที่มันจะทําให้เราคิดฟุ้งซ่านที่มันจะทําให้เรามีความเคลือบแคลงระแวงเห็นแยง้งที่มันจะทําให้เรามีความกําหนัดพัวพันหมัวเมาที่มันจะทําให้เรามีความขัดเคืองโกรธเกลียดคิดประทุษร้ายเราต้องละไอ้พวกนี้สิ่งนี้เขาเรียกว่า น, นิวรณ์มันจะเป็นเหมือนกับสนิมกินในใจของเร า, เาแล้วก็ละมันออกไปซะนะทําจิตให้ผอ่องใสแจ่มใสอ่อนโยนอ่อนนุม่ม เป็นจิตที่อ่อนเหมาะในการทําอะไรในการที่จะทําความรู้ที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเกิดขึ้นแต่สมาธิในที่นี้พระเจ้าก็พูดถึงฌานที่4ีแล้วลนะ่ะชานหนึ่งฌานสองฌาน3ชมฌานสแต่ฌานสมาธิตรงนี้ทําจิตให้ดีทําจิตให้นุ่มทําจิตให้อ่อนทําจิตให้เหมาะสมทําจิตให้แจ่มใสทําจิตให้ละเอียดแต่พอจิตละเอียดแจ่มใสอ่อนนุ่มสว่างใสปิงแล้วจะสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้ได้ซึ่งความรู้ในที่นี้ทํำฝัง ผู้ชาก็พูดถึงวิชา3านั่นเองในวิชาสากันที่นี้ก็พูดถึงบุทเพจนิวาสานุสติยานนั่นคือ ย, ยานคือความรู้ในการที่จะระลึกถึงชาติก่อนพบก่อนได้หลายประการแต่ผู้ชาวกยกตัวอย่างในที่นี้เหมือนกับคนออกจากบ้านนี้ไปแล้วก็ไปสู่บ้านโน้นพูดอะไรทําอะไรแล้วก็ออกจากบ้านโน้นกลไปอีกบ้านหนึ่งพูดอะไรทําอะไรแล้วเดินทางไปจกนกระทั่งกลับมาบ้านตัวเองเขาก็จะระลึกได้ว่าโอ้ดก่อนที่นี้เรามาจากบ้านนั้นเราพูดนี้เราทําอย่างนี้ ก่อนนั้นเราก็มาอย่างนั้นแต่เขาก็จะระลึกได้จําได้นี่เป็นลันกษณะของคนที่จะได้บุเพนิวาสานุสติยานนอกเหนืนอจากนี้ก็ยังมีก็เรียกว่าจุดตู้ปปาตยานแต่คือรู้ว่าสัตว์เหล่านี้ทํากรรมดีไม่ดีจ ะ, จะไปเกิดในที่ไหนอะไรยังไงก็เหมือนกับคนที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกบ้านเห็นคนเข้าออบ้านเห็นคนออกบ้านเนี่ยเขาก็จะรู้จะเหนน็นว่าคนทําดีไปดีคนทําไม่ดีไปไม่ดีอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายต้องฟัง น, นี้สําคัญ เรียกว่าอาสวะกะออับยานคื อ, อยานในการรู้เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเดีย๋ยวรู้ว่าอาสวะจะสิ้นเดีย๋ยวรู้ในเียนสัตวีว่าทุกสมุทรไทยนิโรธมรรคเป็นอย่างยิ่งนี้แต่ต้องทํำยังไงยังไงรู้แล้วทําได้แล้วแล้วก็สามารถทําอาสวะให้สิ้นได้หังกิจที่ควรทําก็จะทําเสร็จตรง น, นี้เดี๋ยวไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่า น, นี้ตรงนี้คือการบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองแต่บุญชาจึงใช้ตรงเนี้เรียกว่าเป็นพระมเนี๋ยวพระหมายถึงผู้ลอยบาป ไม่ใช่ว่ามาทําพิธีกรรมเฉยๆแต่จิตใจลอยบาบงหมดแล้ว่นะไม่มีอาสวะเหลืออยู่ราคะโตสาโมหะไม่สามารถที่จะมาใกล้เคียงได้เลยลอยออกหมดนี่คือเรียกว่าเป็นพรามที่แท้จริงนะ่เป็นสมณะด้วยแตนะ่สมณนะมนะมนะคือผู้สงบเป็นภิกษุ ด, ด้วยคือผู้ต่อยกิเลสเปะนพระสงฆ์ทําวังถึงจะเรียกว่าพระสงค์จริงๆเลยเป็นภิกษุจริงๆเลยก็ตรงนี้แหละนั่นกะ็เรียกว่าสมบูรณ์เลยนะการที่เขาเคารพนอบน้อมประชาชนเขาอุปถัมภ์อุปถมัปถมภ์ดีๆขนาดนี้ มันถึงว่าจะเรียกว่าเป็นภิกษุจริงแต่นอกจากนี้ไม่ใช่แค่ภิกษุที่โนผม่มเหลืองแต่ยังรวมถึงครว่าผู้ที่ขวนขวายในการปฏิบัติ่ผู้ที่หลีกออกจากเรือนบ้างมาทําความเพียรบ้างเป็นนักปฏิบัติธรรมอ่ะข้าด่าว่าคุณไปวัดธรรมลัยไปปฏิบัติธรรมแต่ตัวเองปฏิญญาด้วยว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ยังไปขวนขวายในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันรู้ถึงรู้ลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยมันจะดีะเสร็ไอความรู้ตรงนี้ก็คือ การประพฤติประมาจันตลอดสายนั่นเองท่านฟังนั้นไล่มาตั้งแต่เรื่องของการที่มีฮิริอุตปะตรงนี้จะคุมเรื่องกายเรื่องวาจาได้ขึ้นมาอีกเป็นศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่เป็นเพื่อสมาธิแล้วได้สมาธิได้สมาธิแล้วก็ได้ญาณปัญญาเกิดขึ้นแต่เพราะนั้นตรงนี้นเราก็เรียกว่าเป็นการประพฤติประมาจั์ที่ทําให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาหลายท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในพระสูตรต่างๆในการที่เรามาคุย มาสนทนากันในเรื่องธรรมะเนี่ยจะทําให้สามารถเปิดธรรมให้มันมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้บริษัาต้องการจะติดต่อกับทางรายการแล้วก็สามารถเขียนส่งมา ไ, ได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนาลิกที่1หมู่8ตําำบลดอนไหโศกอำเภอหนองฮานจังหวัดอุดรธานีเขียนเป็นใบษสียบัตรหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้แต่ส่วนถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhammamma.com ข้าอเจ้าปราหมาภัยบูญอภีปุนโนจากวัดป่าอนหนไฮโศจิลบ่อน